บทที่เก้าหลวงตาเฟื้องเสียงระฆังตอนตีสียงเงียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเหาหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็ตั้งต้นหอนใหม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ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 ตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพรองกว่าทุกวันหรือจะเป็นเพราะว่าพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระถึงได้หอนนานกว่าปกติเขาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆซึ่งกําหนดนั่งยังไม่ทันจะได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียน แม้จะไม่สว่างสวยเท่าไฟนีออนแต่ก็ทำให้เห็นชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุในราวเจ็ดสิบเศษร่างกายสุดโทมสู้ผอมจีวรดูเก่าสกรปรกแถมยังขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคิริ้วมาห่อหุ้มร่างภิกษุชลาเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับย่องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่คลันใกรเข้ามาในระยะสักสาเมตร จึงได้รู้ว่าท่านไม่ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียเรียกกับพื้นสติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะมัวแต่อิดอดอดๆกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าเข้าไปแล้วมีหนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปลงฟันอีกหลายนาที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 เสียงนั้นแหลมพิลึกผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสถ์กับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสถ์อย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังรู้สึกขนลุกสู้เมื่อภิกษุชลาบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาทาร้าย จึงกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนกุฏินี้มีจุดประสงค์อะไรเหรอครับมีสิอัตมาจะมาขอส่วนบุญจากโยมอัตมาลำบากเลือกเกินต้องอดอดยากยากหนาวก่อนหนาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอัตมาขอผ้าไตรสักสำรับแล้วเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้หลวงตาเฟื่อง วัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดสัทีวนเวียนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอกครับจึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวดือ้อท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะเป็นคนทิฏฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่า ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี้แหละถึงได้มาเป็นเปรตที่โยมเห็นอยู่นี่แหละเปรตเหรอครับทำไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังสมัยผมเด็กๆคือยายบอกว่าเปรตนันน่าตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานแสดงว่ายายหลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหลอกโยมเปรตมีหลายประเภท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 ถูกต้องอัตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมากขอให้โยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางประเสริฐที่สุดแล้วอัตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวแต่ลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกกระกรรมลำบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวมันก่อสายเกินไปเสียแล้วจงอย่าไปเอาเยี่ยงยางอัตมาเลย นี่ถ้าเป็นไปได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งอาตมาจะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเข็ดแล้วอาตมาลาลลนะโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปแล้วจึงหายวับไปกับความสลัวของรุ่งอรุณบัดเดนนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่ตีสี่ ต่างพากันเงียบเสียงลงราวกับนัดครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดอยู่คนเดียวอย่างนั้นครูบนมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกหรือพระแก่ๆที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองผมไม่เห็นมีใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูก็ได้จริงครับครูใหญ่ ยืนพูดเงิมเงำอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สาบไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยครูน้อยอีกคนหนึ่งถามอย่างเป็นห่วงเปล่าเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วท้วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมง จึงจะออกจากโบสถ์เราปฏิบัติไปพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รําคาญเสียงหมาหอนหรือมันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บน่นใครว่ามันหอนตอนพระตีระคังเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอ๊เจ้านี้ครูใหญ่มีอะไรแปลกๆพี่กลนหรือว่ายังไม่อยากกลับบ้าน ครูบุญมีเยา้าครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฟังเพราะสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายสู้เก็บไว้ถามพระครูจะดีกว่าว่าไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูด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 ครูใหญ่รู้จักแกด้วยหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อคือนนี้มาแนะนำตัวว่าชื่อหลวงเตาเฟื่องแล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าน่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรือยังว่าพระ ก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทหลวงตาเฟื่องแกดือ้ออัตมาตเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียดร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกหลานเป็นประจำโ น, น่นบ้านแกอยู่ใต้วัดโ น, น่นอัตมาตบอกว่ามันเป็นบาปนาหลวงตาแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไง ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกด้วยว่าทําไมตึ้งได้ใช้ให้ครูมาขอผ ร, ราไตรทําไมไม่มาขอเองผมคิดว่าจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนเขาเอาผ้าไตรามาถวายอาตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ให้ครูใหญ่มาขอฉลาดดิหนิ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมาจะออกไปบินทบาทอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วท่านพระครูก็ออกบินทบาทโดยมีนายสมชายหิวป็นโตเดินตามหลังครูสามคนกลับไปยงาาังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัว ฟ้ายังไม่ทันสางเพราะดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนนำครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่กันอีกสักคืนเนะท่านจะอาวาตแกล้งยาวไม่ไหวครับ สามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเพื่อจะได้เลขเด็ดหลวงตาเฟื่องแกอาจจะให้หวยก็ได้คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำท่าสนใจครูบุญมีพูดว่าอยากได้นะอยากได้หรอกครับแต่กลัวจะช็อกตายไปเสีก่อนหลวงพ่อครับตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ผ้าไตรหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับ ครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากนั้นเสร็จสิ้นหรือยังเออแน่เกือบลืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐานนะอย่าไปถวายพระซีสัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกันทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานล่ะครับหลวงพ่อครูอรุณถาม ก็ท่านจะได้กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องได้ถ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบตัติจะอุทิศไปก็ไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ําไม่เป็นด้วยซ้ําอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้เสียที่ไหนขนาดบวชมาทั้ง 10, สิบพรรษาเวลาเ้านิมนต์ไปสวดก็ทําปากขมุบขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้มีเยอะ ท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นจึงหยิบผ้าไตรส่งให้ครูใหญ่ถือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องหงงต้องห่อรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้ด้วยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระตุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้อีกกรแรงหนึ่งจะได้ไปเกิด เ, เร็วนี่ักาครูใหญ่ไม่บอก อาตมาก็แมารู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรตลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนาแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับครูอรุณสงสัยอ๋อนี่แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนาไม่ท่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นมาอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายเสียเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้ตลอดเวลาเมื่อไรกันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งเลยนะสีวันวันไม่เป็นทำอะไรแล้วเพราะเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรโดจําไม่ว่าเราจะใช้เห็นหนอก็ต่อเมื่อตั้งสติกําหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากําลังคุยกับโยมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นเห็นกัน แต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกําลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกำหนดจิตแล้วเห็นหนอจึงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจหรื อ, อยังล่ะครับเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับแล้วคนที่จเจริญสติปัฏฐานสีได้โอกาสเห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสยัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรี ได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าล่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบเหมือนกันนั่นแหละคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอาตมาจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวันนาเถวีคนนี้เป็นพระอารหาันต์มีฤทธิ์มาก ในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคลานะแต่ถ้าพระเถรีต้องยกให้พระอุบลว น, นาแต่ถึงแม้จะมีฤทธิ์ก็ยังถูกนันทมานบขมขืนกระทําชําราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเก่าครั้งอดีตที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสามคนก็พากันสงสัยว่าทําไมทั้งๆที่มีฤทธิ์อยู่ยังถูกข่มขืนได้ นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกำหนดจิตฤทธ์ก็ยังไม่เกิดในคมพีกล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพักนันามานกก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาส ข, ข่มขืนตอนนี้เมื่อนันทมานก ข, ข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอรหรัน ถือว่าไม่โทษหนักบาปมากเห็นไหมถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตฤทธ์ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลงเต่าเฟื่องแล้วแกก็ไม่มาปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กันอ่อยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับท่านบอกว่าเป็นประทั์ตุปปชีวิกเปรตพวกเปรตนี่มีหลายประเภทหรือครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมีสี่ประเภท ได้แก่ประทัดตุปะชีวิกกระเพดก็คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นข ป, ปิปาสิกระเพดคือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชามัตันหิกระเพดคือพวกที่ถูกไฟเผาเร้าร้อนอยู่เสมอและกะละกันจิกกระเพดเป็นชื่อของอสุราที่เป็นเปรตครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไหนละ่ะท่านถามครูอรุณ ไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทากรรมอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นเปรตล่ะครับหลวงพ่อครูบุญมีถามก็ความโลภนะสิเขาเรียกว่าจิตมีโลภะอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะว่าจิตยังมีโลภะยังห่วงลูกหลานคนที่ตายขณะจิตมีโลภะเช่นยังหวงโนนหวงนี่ ไม่ว่าจะห่วงสมบัติหรือห่วงลูกหลานก็ถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสุรกายฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุคติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ดังนั้นถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปห่วงอย่าไปโลภโกรธหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งอยากฟังไหมละ่ะอยากครับคนทั้งสามตอบเอาละ่ะอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอาเภอรูปหนึ่งอย่าให้อาตมาเอ่ยชื่อเขาเลยนะเพราะในไหนท่านกมรณภาพไปแล้ว เจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมผ้าตราไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดและท่านก็หวงมากไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบ8ปสปีจะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุ75ปีท่านก็มรณาภาพและไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทีเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลย จะว่าท่านโลภ ก, ก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80ถึงจะแจกทีนี้ท่านเลยตายขณะที่จิตไม่โลภพ้คือห่วงผ้าไตรหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปนเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับหลวงตาเฟื่องมหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ไม่มีอะไรนุ่งหม่ม มาแบบชีบเปลือยว่างั้นเถอะมาก็บอกอาตมาว่าท่านพระครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยอภาตรายแจกให้หมดแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาจะจัดการให้ตกกลางคืนแกก็มาขอบใจนุ่งหมเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลย เลอไปนิดเดียวไปทุกขติเสได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรื อ, อยังว่าการมีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมละ่ะท่านถามเห็นด้วยครับครูสามคนตอบแล้วครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พวกผมเห็นจะต้องกราบลาและต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกายและยันได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้าย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 เอาเธอที่จะถูกนะซื้อไว้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่บังเอิญคนทั้งสามต่างซื้อรอตลี่คนณลักบับจึงพากันคิดว่าคนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกเด็ดขาดไม่ว่างวด น, นี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มลสพระธรรมในครั้งนี้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 ผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากๆก็ได้คราวนี้ผมยอมจำนนทุกอย่างเข็ดแล้วถ้าผมเชื่อท่านพระครูเส้ยแต่แรกก็คงไม่ลำบากถึงปานนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่เทีวแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่านให้ไม่ต้องอดๆอยากๆ และทำไมไม่บอกผมตรงๆ ต, ต้องไปผ่านทางครูใหญ่ท่านไม่อายเขารึที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากคฤหัตมาขอจากพระด้วยกันยังดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ผมกลัวว่าท่านพระครูจะไม่ให้อภัยก็เลยไม่กล้าอีกอย่าง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 ผมจะตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานสีไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกอย่างไรผมจะต้องลาขอบพระคุณสำหรับผ้าไตรใหม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่เดี๋ยวนี้พูดจบภิกษุชาราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในความสลัวของยามอารุณ์